หรือนอนตายแล้วทั้งหมดเปล่าประโยชน์ต่อเมื่อไม่ประมาทแล้วคุณธรรมทั้งหลายจึงจะสแสดงผลอย่างแท้จริงแต่สําหรับบุคคลที่มีกิเลสจิตยังไม่หลุดพ้นความไม่ประมาทมักจะถูกทวงรั้งให้ย่อย่อนหรือหยุดเฉยกลายเป็นความประมาทเสียบ่อยๆเพราะมัวติดเพลินอยู่ในอา mith และในอารมณ์ที่ล่อให้ลุ่มหลงหรือให้เขว้ไปเสียบ้างถูกกิเลสเช่นตันหา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 คือพลังพลาดเอากุศลธรรมและคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วเป็นปัจจัยแห่งความประมาทไปเสียจึงต้องเตือนตนอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและหมั่นสร้างความสังเวชคือคอยเราเตือนจิตสํานึกให้คิดที่จะไม่ประมาทอยู่ตลอดทุกเวลานือเมื่อคนทั้งหลายมีเชือ้อหรือมีความโน้มเอียงที่จะเป็นผู้ประมาทจึงเป็นธรรมดาว่าในหมู่ชนที่อยู่รวมๆกันมากก็าตาม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 เพื่อจะให้ตอบได้ซึ่งคําถามว่าคุณธรรมก้ออื่นๆก็นอนเป็นตายหมดในเมื่อประมาทและก็เมื่อประมาทแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้ทุกมาบีบคั้นเสก่อนกล่าวโดยสรุปทุกคนพึงไม่ประมาทคือเร่งรัดทำกิจหน้าที่ทั้งเพื่อประโยชน์ตนคือเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือช่วยผู้อื่นให้พัฒนาเช่นหนึ่ง ผู้ปกครองรัฐพึงไม่ประมาทในการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยเป็นสุขจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลแก่ความอยู่ดีมีธรรมและการแสวงหาคุณค่าที่สูงขึ้นไปทางจิตปัญญาของประชาชนสองพระเทระพึงไม่ประมาทในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนขนขวายบำเพ็ญกิจเพื่อเห็นแก่ปัจจิมาเจนาตา คือชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังและทำการทุกอย่างที่จะให้ศัตรรมดำรงมั่นเพื่อประโยชน์สุขของชนจำนวนมากตลอดกาลานาน 3. พระพิสุท์ทุกรูปพึงไม่ประมาทในการบำเพ็ญสมณะธรรมและในการทำจิตของประชาชนให้ผ่องใสสร้างความรู้สึกร่มเย็นปลอดภัยทั้งด้วยความประพฤติที่ปราศจากการเบียดเบียนของตนเองและด้วยการสั่งสอนประชาชน ให้ประพฤติดีงามทาสังคมให้ร่มเย็นและสุดท้ายคนทุกคนพึงไม่ประมาทในการบำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยการทาตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้และในการบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นด้วยการช่วยให้เขาสามารถพึ่งตนโดยมีตนเป็นที่พึ่งได้พัฒนาจิตปัญญาเพื่อเข้าถึงประโยชน์สุขสูงสุดที่จะให้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระ ได้เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันหนึ่งเนื่องด้วยเป็นสามั ญ, ญวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายที่ว่าเมื่อจเจริญก้าวหน้าแก้ปัญหาสำเร็จมีวัตถุพรั่งพร้อ ม, อ, มอยู่สุขสบายแล้วมักจะประมาทหรือมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายยอมรับความจริงทำจิตปรับในปลงใจได้แล้วก็มักประมาทจึงเป็นธรรมเนียมของพระาศาสดาผู้นาและผู้บริหารที่ดี